เทศนา่ันที่81ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่15กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าใช้ปัญญาดูแลรักษาครูบาอาจารย์ อาลูกหลานอยู่ในความสงบพระนั่งประจำที่รีบอย่าไปช้างอมงแง้มเดินไปที่ไหนยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอไปถึงไม่ถึงไหนวะต้องกระโดดกระโดดเมื่อลิงก็ไม่ดีเหมือนกันนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันพระทุกวันพระ หลวงพ่อเองก็ให้คณะทัดทานญาติโยมลูกหลานที่มาสู่วัดก็มีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลห้าเป็นพื้นนะแต่ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลก็ตั้งจัดตั้งจิตวิรัตเจตนาไปเลยแต่ผู้ที่ลูกหลานเข้ามาสู่วัดก็ควรจะมีพิธีการพิธีกรรมสาสนาพิธี ควรจะมีการไหว้พระและก็สมาทานศีลห้าเพราะพวกเราปีทั้งปีเดือนทั้งเดือนพวกเรามีแต่อยู่กับคารวะญาติโยมไม่ได้เข้ามาสู่วัดแล้วก็ไม่ได้มาถึงจะเข้ามาวัดก็ไม่ได้สมาทานศีลก็ควรจะทำเป็นพิธีสมาทานศีล การสมาทานศีลคือพวกเราเคาะสนิมสนิมที่มันเกลอะนะไม่ใช่สนิมละเอียดนะสนิมเกลอะมากนะคือรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคือศีลห้านี่แหละรักษาเคาะสนิมออกจากการเป็นอยู่ของกองเราให้เราเป็นผู้มีศีลเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระ ก็ให้ท่านให้ผู้หมวดเป็นผู้พานำไหว้พระสมาทานศีลเอาเริ่มอิมินาสกาเลนาตั้งใจสมาทานศีลการสมาทานศีลในช่วงนี้เป็นการเป็นการ จะมาทานศิลเพื่อทดสอบทดลองและเป็นการสตาร์ทอุ่นเครื่องเพราะว่าอีกสองอาทิตย์ที่จะถึงนี่ก็คงจะเป็นวันเข้าพรรษาเพราะว่าเพนหน้าในใช่ละอันนี้เป็นเดือนดับแปดแปดหนึ่งดับแล้วก็แปดเพนหน้านี่ก็คือเป็นวันเข้าพรรษา เพะนั้นพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่พวกเราจะเตรียมตัวเตรียมใจจะประกอบคุณงานความดีในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราก็ควรจะนึกคิดเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรบ้างในพรรษาที่จะถึงพระนั้นวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้สมาทานศีลแล้วก็ชำระ ก, กายวาจาให้เรียบร้อย จางที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเราเคาะสดิมที่มันเกละติดจิตติดใจติดกายวาจาของพวกเรามานานเท่านานมาวัดทั้งทีก็ควรจะเคาะออกถึงจะไม่ได้มากก็ได้ขนาดได้ขนาดหนึ่งเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามแนวแถวของพุทธที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบันณฑิตนัปราาด โบราณมาถึงปัจจุบันเขว่าศีลห่านะเป็นศีลคุ้มของโลกเป็นศีลที่ทําให้โลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นพวกเราได้เข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาก็ควรจะยอมน้อมรับเพราะเป็นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุท ธ, ธรบริษัทของพระพุทธเจ้าพอน้อมรับเสร็จแล้วก็นํามาวิเคราะห์ดูสิจริงไหมไม่ใช่ว่าน้อมรับด้วยศรัทธาความเชื่อตอนนั้นไม่ใช่ต้องใช้ปัญญาด้วยนะ การที่จะทำอันไหนก็ต้องใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผละไม่ใช่ว่าเขารับมาแล้วก็รับไปไม่ใช่เนี่ยที่เราที่เขารับมาเรารับมีเหตุผลอะไรทาไมเพราะว่าหลักำำรธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอด เพราะนั้นให้พวกเราศึกษาน ะ, ะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลนะเนปุติยันติตัสมาสีหลังวิโสธาเยสาธุเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้คณะจต่ายาตยมได้ฟัง ตามที่ปกติที่เคยพูดเรื่องนิดๆน้นอยๆเพื่อมาสู่วัดวาศาธนาก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็ อ, อาจจะมีแง่มุมหนึ่งหลวงพ่อคงจะไม่เหมือนตั้งนโมมาพูดคงจะมีเลี่ยเหลี่ยเนเชิงในเรื่องนั้ น, น, น เพราะนั้นพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเรียนรู้เพราะไปเราไปณสถานที่ใดเราก็ต้องตาดูหูฟังใจสำเนียกคึกนึกคิดที่ท่านพูดเป็นยังไงถูกต้องเป็นธรรมไหมฮะม่ใช่ไปที่ไหนกับมิแต่ใช้หูกระทะหูหมอกขงังหูกระเช้าหูกร ะ, ห, กระหูกระซานะตากระตาไม้าภายต า, มายไม้สักไม้สร้าง หัวใจก็ไม่ได้คิดได้อ่านใจกวงใจ เ, เต็มไปด้วยของที่มีกิเลสควรจะเปิดใจศึกษานะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบห้าวันพุทธที่สิบห้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระ แรงสิบห้า่ำเดือนเดือนแปดก็แปดสิบห้า่ำหน้าเนี่ยเพนหน้าเนี่ยอ่เป็นวันอสศราหะบูชาและก็วันแรงค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเพราะนั้นพวกเราคณะทาญาิโยมวันนี้ก็ได้สมาทานศีล ไหว้พระสมาทานศีลเพราะเป็นวันพระ่นะหลวงพ่ออยากจะพูดเท้าความให้คณะสัทธาญาติโยมได้ฟังเมื่อวานคณะสัทธาญาติโยมทง <c oughs> างอำเภอบ้านผื อ, อามาทำบุญตักบาตร <c oughs> ที่เป็นลูกศิษย์อยู่ใกล้องหลวงปู่บุญมีปริปุญโนทิพพปานาคูนถ้าย่งั้นหลวงพ่อไม่รู้หรอก ได้ยินแต่ท่านไปบ้านของท่านชื่อจังหวัดยะโสธรบ้านเกิดของหลวงปู่ท่านไปแล้วก็หลวงพ่อก็เออท่านไปยังไงแล้วก็เมื่อวานวันก่อนท่านก็กลับมาทางโยมบ้านผือเขาก็มาบอกว่าหลวงปู่มาวัดเมื่อวานเนี่ ย, เ, ยเราก็เออมาใกล้แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไปไปกราบครวะท่าน พ่อหลวงพ่อในานามฐานะน้องท่านเป็นพี่ชายใหญ่เดี๋ยวนี้ที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วลูกศิษย์ที่จำพรรษานะที่จำพรรษาก็องหลวงตาเนี่ยกหลวงปู่บุญมีเป็นพี่ชายคนที่หนึ่งหลวงปู่ลีเป็นคนที่สองหลวงพ่อเป็นคนที่สามแล้วก็นันาถ า, ายิโยมลูกหลานที่มีอายุพรรษาเพราะนั <c> ้น <oughs> พี่ของเราหลวงปู่บุญมีเป็นอะไรทําไมจึงจะได้ไปจําพรรษาทางยะโสธรน่ยหลวงพ่อก็ไม่สบายใจอยากจะพวกฟังเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังกับคณะทัตธาญาติโยมทางบ้านผือเขาก็ไล่เลี้ยงลําดับให้ฟังหลวงพ่อก็ฟังได้ในระดับหนึ่งเพราะหลวงพ่อเนี่ยมีหูอยู่สองข้างแต่ตามไม่เกิงหลวงพ่อมันมากกว่า น, นั้นเองไม่ใช่ว่าฟัง ไม่รู้กี่ด้านตัวกี่ด้า น, านเหตุผลอันไหนอันไหนอย่างไรหลวงพ่อต้องฟังฟังเสร็จแล้วก็ได้มาประเมินประมวลดูว่าตามที่มันเรื่องราวมันเป็นไปอย่างไรเนะมื่อวานหลวงพ่อก็เลยไปกราบอ ง, อ, ง อ, งองท่านเองนะไปไ ป, ไปถึงประมาณสักสิ0โมงกว่าก็าไปก็ไปกราบท่านไปกราบอาราธนาท่าน โอ้หลวงปู่หลวงปู่จะไปจำพรรษาที่อื่นมันจวนจะเข้าพรรษาแล้วถึงอย่างไงก็ให้จำพรรษาที่นี่ก่อนเถอะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยศรัทธาญาติโยมที่ก็มาเกี่ยวข้องถ้าหลวงปู่ไม่อยู่ก็ดูๆแล้วมันก็วันไหวไกวยแขว่งเพราะว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่ก็เป็นร่มโพ ร, ร่มไสของลูกของหลาน ขอกราบละธนาหลวงปู่อยู่จำพรรษาที้ออกพรรษาจะไปค่อยไปหรือจะในพรรษาที่สัตหะไปก็ยังได้ไปโปรดลูกโปรดหลานทางนู้นแล้วก็ออกพรรษาแล้วจะค่อยไปไปพักอยู่เป็นเดือนอะไรก็ได้แต่ในพรรษานี้พวกศรัทธาญาติโยมพวกกระผมขอกราบระธนาหลวงปู่ขอให้จำบรรษาที่นี่เทินปีนี้เราก็คอยฟังคอะท่านก็ ห ม, มุบหมอบหมุบหมอบหมุบหมอบเพราะท่านพูดไม่ได้ใช่ไหมเสียงไม่มีแล้วก็ให้พระพระเลขาพระลูกหลานคนนะั้อยู่ข้างๆแปลออกมาให้ฟังลูกหลานเขาก็แปลออกมาให้ฟังบอกว่าลุงปู่ว่าได้ตัดสินใจแล้วได้พูดกับทางโน้นแล้วตกลงกับทางนน้นแล้วหลวงพ่อก็หาเหตุผลเอก ถึงจะตกลงแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็ยังได้กลับมาทางนี้ก็ตกลงกับทางนี้ อ, อีกแล้วก็กลับย่าศรัทธาญาติโยมทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหากลับมาถึงวัดเลยศรัทธาญาติโยมตอน้นเขามากลับมานิมนต์ยากมากมายเลยเแล้วก็เ้วก็จะจำจะทำยังไงล่ะทางนู้นเขาก็มีเหตุผลเพราะนั้น จะต้องกลับเป็ น, ปนไปจําพรรษาที่วัดก่อนเนอะแต่ถึงยังไงทางนี้ก็จะมาอยู่ก็ขอให้หลวงปู่พูดอย่างนั้นไม่ได้เล้วหลวงปู่ท่านก็มูมบับปู่มบับปุ่มบับปุ่มบับปิดท่านบอกว่าไม่ได้หรอกแต่พูดพูดออกไปแล้วะก็เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยกับคณะทศัทยญาติโยมทังบ้านผือก็กล่าวประนัตนาอ้างเหตุผลไล้ลายย้าอยากแต่หลวงปู่จะไป อยู่ที่วัดใหม่กว่อจะปรับแนวความคิดปรับความจดจำปรับความรู้สึกการเป็นอยู่ที่ไปสถานที่ใหม่เนะี่ยมันยากได้หลวงปู่จะหลวงปู่อยู่ที่นี่ก็เคยชินกับสถานที่ทุกอย่างแล้วก็การปรัชนาหลวงปู่อยู่ที่นี่ละเพราะว่าจะไปพวกหมอพวกอะไรก็ง่ายสถานที่ก็ พร้อมพอหลวงปู่อายุจะเก้าสิบอีกห้าเดือนเก้าสิบปีแล้วเนี่ยท่านก็อ้างเหตุผลตวายท่านท่านก็สรุปแล้วก็คือท่านไม่ท่านยังยังเชื่อมั่นในเหตุผลของท่านอยู่เราก็เลยพูดกับพระที่อยู่ใกล้ๆลูกลานแต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์ที่มีอายุถึงขนาดนี้แล้ว พวกลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ต้องการจะไปอะไรที่ไหนลูกหลานต้องประชุมหาลือกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดหรือจตหาญาติโยมกูใกล้ชิดก็พูดกันปรึกษากันเ อ, อ๊วันนี้ได้ยินเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะของปู่ปารบอย่างนี้นะพระในวัดก็ควรจะหารือกันเราจะทํำยังไง ไม่ใช่ว่าลวงปู่จะทำอะไรกับทำไปอย่างที่ลวงปู่อยากจะทำมันไม่ได้นะลูกหลานบางสิ่งบางอย่างมันก็ผิดโลกสมมุติเขายอมรับไม่ได้เราอยู่ในโลกสมมติมันก็ต้องถูกโลกสมมุติพอสมควรถ้าปู่ถ้าเผื่อว่าลุงปู่ไปอย่างนั้นละ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยละ่ะมดหมอละ่ะพวกเราจะรับไหวไหมเราจะประสานงานที่ไหนอยู่ตรงนี้กับเราก็รู้จัก ทางหนีทีไล่หมออยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนสัทยายาตยมที่ที่ไหนเราจะได้พึ่งพาอาศัยพวกเราเป็นพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้ท่านเราต้องได้คิดมีใช่ว่าท่านจะไปที่ไหนกับพาเข้าไปในปา่าในดงพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะทำายัางไงได้ท่านอยากจะมาเป็นเรื่องของท่านและตัวเองกับนั่งดูอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกัน เอพอท่านอายุถึงขนาดนี้แล้วพวกลูกหลานทั้งหลายควรจะขอร้องกราบเท้าท่านขออยู่ให้ท่านอยู่มันจึงจะถูกได้ลูกหลานแ่ะไม่ใช่จะตามใจทุกอย่างเพราะท่านอายุมากแล้วอพออยู่กับครูบาอาจารย์มันต้องเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ได้บอกพระน้องลุงทั้งหลายเหมือนกันนั่นแต่ถึงยังไงสิ่งที่มัน จะทำให้กระทบกระเทือนทําทำให้ไม่ให้สบายใจท่านพวกเราก็อยาเอานำเรื่องนั้นมาหาท่านเราต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าเรื่องขี่มูลาขี่ไม้แห้งเรื่องอะไรก็ให้ท่านได้รับรู้รับทราบทั้งหมด เ, เรื่องอย่างอื่นก็พอแรงอยู่แล้วนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายช่วยช่วยกันคิดนะแต่เมื่อวานกับกาบประราธนาท่านหลายคนทั้งศรัทธายาจม ผลได้จูเกิดถือดอกไม้ทูบเทียนไป เ, เพื่อจะไปกราบราตนาให้ท่านอยู่แต่เมื่อท่านตัดสินใจเด็ดขาดแล้วท่านยังไงไม่อยู่แล้วเราก็เลยเอาดอกไม้ทูบเทียนปเป็นขันคารวะท่าน <c oughs> ก่อนเข้าพรรษามหาเถเรปรมเทนะพร้อมป่ากันกราบคารวะท่านและออกมาเมื่อวานมาถึงวัดเกือเที่ยง ก, กวัวนะครับทัศนทายาทโยมโลูกลาน แหละเมื่อวานหลวงพ่อไปกรบปรารถนากหลวงปู่ให้ท่านอยู่แต่ท่านก็ตัดสินใจเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าท่านได้เป็นตามอัฒยาสัยของท่านเมื่อท่านไม่ฟังเราไม่ฟังพวกเราแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ตามอัฒยาศัยของท่านแต่ถึงยังไงเมื่อ มีปัญหาอะไรเรายังค่อยว่าการแก้ปัญหาไปเราออกพรรษาเสร็จแล้วยังค่อยไปกล่าวอัลาหธนาที่มนุ์ท่านกลับคืนมาก็ได้ <c oughs> อันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านอีกเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของท่านนะแต่ตามไม่จริงการกล่าวอัลาหธนาหรือ ว, ว่าการแสดงออกซึ่งน้ําใจก็เป็นหน้าที่ของศิษยานุศิษย์ที่รักที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสในองค์ท่านนะ อันนั้นแะคือครูบาอาจารย์อแต่หลวงพ่อก็เหมือนกันนะขันศรัทธา ญ, ญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกทุกคนนะแต่เมื่อหลวงพ่อมีอายุพรรษามากขึ้นมาสิ่งไหนก็ตามที่หลวงพ่อเทศนาว่าการบอกกล่าวว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ควรสึงนั้นไม่ถูกต้องพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาก็ควรจะคิดได้สำเหียกได้ว่าเอออันนี้หลวงพ่อของเรา สมัยเมื่อท่านยังแข็งแรงท่านสมบูรณ์อยู่ท่านได้ห้ามปรามอย่างนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ท่านไม่ให้ทำอย่างนี้แต่เมื่อท่านอายุมากแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันถลําออกไปด้วยการชักชวนด้วยการแนะนำของผู้อื่นอันนี้มันไม่ถูกตามแนวแถวที่ท่านได้วางแผนบงวางแบบแปนแผนเอาไว้นะ อ, อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปชุมกันหาลือกันแล้วจากนั้นก็ ตั้งขึ้นมา อ, อย่าไปแตกกันในช่วงนั้นในรวยมากมันแตกกันใ่ะใครก็อยากจะได้หน้าใครใครว่าจะเสนอหน้าอกูบาอาจารย์เข้าทางไหนกับทางนั้นเป็นฝ่ายชนะแต่ตามไม่จริงมันไม่ไม่เป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นธรรมจิตใจที่เป็นธรรมจากนั้นก็เราไม่ได้การแกล้งเปียดเบียนเราไม่ได้ บ, บูเชิดชูบูชา อยู่ในจิตในใจของเรามันไม่จะผิดเพทุกที่ตรงไหนถ้าว่าพวกเราไปคนละทิศคนละทางนั่นแหละมันดูดูแล้วมันไม่น่าดูทั้งนั้นแหะเสียหายเสียหายในวงวงญาติวงคณะสิทธิานุสิตเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอายุพันสามากพอท่านจะทําอะไรลูกศิษย์ก็ขอยตามแต่ตามไม่จริงบางสิ่งบางอย่าง เราก็ต้องกราบอาราธนาชี้แจงให้ท่านได้ฟังอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหลวงปู่นะมันไม่ถูกนะจากนั้นเราก็หลายๆลคนห้ามขอร้องท่านกราบอาราธนาท่านให้ท่านเข้าใจหลวงพ่อว่าท่านก็มีเหตุมีผลของท่านอาแต่ไม่ใช่ว่าท่านอยากจะไปยังไงก็ไปอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเมื่อวานมันก่อนหลวงตาไปป่วยอยู่ที่ศิริราชเอาหลวงตาไปพอไปขึ้นไปหลวงตากป็ากปะ ลูกศิษย์ก็จะทำยังไงได้แต่ตามไม่จริงก็น่าจะกราบราดนาอ้หลวงปู่หลวงตาไปไปไม่ได้กลางคืนมันค่ำแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนพักซะก่อนเถอะเดี๋ยววันพุงนี้มีอะไรจะค่อยว่ากันยะค่อยไปหลวงปู่การลาพูดที่อยู่ใกล้มันก็ต้องาอดนาด้วยเหตุผลแต่พวกท่านบอกให้ไปก็ไปก็เอาท่านลงมาเลยที่ไหนได้เขาไม่ให้เอา คนป่วยออกจากโรงพยาบาลกลางคืนศิริราชโรงพยาบาลใหญ่พอลงมาถึงชั้นล่างเอาอคืนรถพวกพยาบาลเขาเลยมาปิดถนนมาเจจา่าทั้งหลบปภทั้งอะไรต่อไม่อะไรผลลัพธ์ในคืนนั้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หลวงพ่อพักอยู่วัดสวนแสงธรรมแต่เขาติดต่อไปตลอดเลยบอกหลว ง, งตาจ ะ, จะกลับวัดแล้วทำไมกลับได้ยังไงไปกัางค่ำกลางคืน รถโรงพยาบาลออกซิยองออกซิเจนมีไหมเนี่ยไม่เอาขึ้นรถตู้อาตายเออลงตาขนาดนั้นจะเป็นรถตู้ได้ยังไงนั่งคอพับคอแพรบอยู่ขนาดนั้นแหละขนาดอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังใช้ออกซิเจนอยู่ทําไมจะออกไปได้อย่างนั้นตายกลางทางได้เป็นลักษณะนี่โอ้ยหลวงพ่อนี่แปลว่าหัวใจมันเอไม่รู้ว่าเอาหัวใจไฟมันไม่รู้จะทํำยังไงฮะเออ ผลในสุดทูลกระหม่อมฟ้าหญิงได้ลงไปกบบราบวราธนา อ, อ, อยู่กับนั่นหละกราบลงตาหลวงตาก็เออยังค่อยเอากลับขึ้นมาอีกมาพักอีกนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าจะว่าไปก็ขึ้นหน้าตำหนิผู้ที่อยู่ใกล้ชิด อ, อ, อยู่ใกล้ชิดหลวงตาแต่ตามไม่ใจกาละเทสะการสถานที่บุคคลเช่นไรเออ แล้วไปอย่างนั้นเป็นยังไงแล้วไม่มีเครื่องออกสียเยนอีกต่างหากหลวงพ่อว่าโอ้มานึกดูแล้วเสียวเลยเสียวใจวใจ่างั้นอพอคือว่าลงตากลับแล้วกลับคือที่พักที่เก่าแล้วนะอหลวงพ่อก็ยังคอยโล่งใจในช่วงนั้นไปว่าเตรียมรถอีกเหมือนกันนะจะออกมาเพื่อจะวิ่งตามไม่เป็นยังไงนี่แหละอันนี้คือความเป็นห่วงของลูกทุกคนเป็นห่วงพ่อ เป็นห่วงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเราอยากจะให้มันถูกนั่นแหละแต่พอพวงนี้เช้าพอสว่างขึ้นมาพอพระบรมราชนีก็จะเด็ดมากราบแล้วก็พอทุนก็หม่อมเข้ามากราบเสร็จแล้วก็ได้จัดรถจัดเครื่องบินทหารอากาศเครื่องบินใหญ่อแต่เราก็คิดว่าเครื่องบินใหญ่ลํานั้นกี่วันรถตู้ พยาบาลจะขึ้นไปแล้วก็ล้งปุ๋ล้งตาก็จะได้นอนในรถตู้คันนั้น <c oughs> แล้วก็บันจุใส่รถเข้ามาถึงอุดร <c oughs> รถตู้ก็จะได้วิ่งลงจากเครื่องบินลำนั้นก็จะได้รับความสะดวกสบายเราพอคิดอย่างนั้นที่แรกนะอ พ, อนพอที่สุดพอที่ไหนได้โอ้เป็นเครื่องบินขนรถก็จริงอยู่แต่พอขึ้นไปแล้วเขาก็เอายกลงตา ลงมาแล้วก็ใส่ขึ้นไปในเครื่องบินให้เป็นนอนในเครื่องบินอแต่เครื่องบินทหารกับฟังนะมันก็ผิดเหมือนเหมือนที่นั่งทหารนะ่ะมันไม่เหมือนของโดยสารนะผลนี่คือขึ้นไปนั่งกับให้เตียงนอนแล้วก็มัดหลงตาคล้ายๆว่าไม่ใช่มัดนะคล้ายๆว่าไม่ให้เกร็งไปเกร็งมาขนาดพวกเราขึ้นเครื่องบินพวกเราก็ยังมีสายรัดใช่ไหมล่ะ หลวงพ่อก็ไปนั่งพระประมาณสักเกือบยี่สิบองค์มาสิบกว่าองค์วันนั้นหลวงพ่อในองค์หนึ่งในนั่งอยู่ที่นั่นหลวงตาเกิดขึ้นไปจัดทาญาตทดวงโอ้มากเหมือนกันนะเกิดจะเป็นร้อยมั้งขึ้นเครื่องครับลํานั้นอะ่ะก็มาลงที่อุดรเสียงสนั่นวันไหวในเครื่องบินทหารฮะมันไม่เหมือนเครื่องบินโดยสารหลวงพ่อมาพิจารณาดู ถ้าว่ายุคถ้าว่าคิดได้ในช่วงนั้นนะหลวงพ่อโอ้น่าจะเหมาเหมาการบินไทยก็ได้เมา อ, อะไรก็ได้เหมาเป็นลำเลยให้หลวงตาได้นั่งสบายสบายขึ้นเครื่องแต่หลวงพ่อคิดว่ารถตู้จะขึ้นไปแล้วก็หลวงตาจะอยู่ในรถตู้แล้วก็จะรถตู้ก็อยู่ในนั้นจากนั้นลงมากับโถตู้ก็วิ่งลงมาอีกส่งถึงวัดเลยหลวงพ่อคิดว่าย่างไงแตท่ที่แท้ไม่ใช่ฮ แต่ข่าวนั้นก็รู้สึกว่าสุกะหุกพอสมควรเอแต่หลวงพ่อไม่ได้เสียดายเงินนะสรุปแล้วถ้าหากว่าสิ่งไหนก็ตามจะอำนวยความสะด ว, วกให้องหลวงตาจะเป็นกี่ล้านฮนะอประมาณมันไม่น่าจะเกินล้านสองล้านบาทเหมาเครื่องบินนะอก็น่าจะให้หลวงตาได้รับความสะดวกสบายาในธาตุขันของท่านเพราะวันเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว ตรงพ่อคิดขนาดนั้ น, นะขนาศาดทาญาทโยมลูกหลานแต่ที่ไหนเนี่เรื่องมันผ่านมาแล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วก็มาเล่าเล่าให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาก็เป็นที่ฉกลฉกพอชุมควรแล้วก็ขึ้นมาถึงอุดรก็สัตยาติโยมทางอุดรก็ไปรับโอ้โหเหมือนกับคลาวานใหญ่ทีเดียวเลยไปตอนรับลงมาจากเครื่องบินจากนั้นก็เลยเอกมาพักไว้ข้างนอก ที่ศาลาเพราะกุฏิของท่านพอไปเจดวันเนี่ยเขาก็ทำสําหรับห้องปลอดเชื้ อ, อถวายท่านมันยังไม่เสร็จมันยังไม่ไม่หายกลิ่นกลิ่นมันยังมีก็เลยเอาเขา้าเอาท่านกลับมาที่กุฏิท่านไม่ได้เลยมาพักไว้ข้างนอกอที่นี่แกุฏิศาลาใหญ่ใกล้ๆศาลาใหญ่ อยู่ที่นั่นหกหลายวันพอสมควรไดแต่ช่วงนั้นโอ้หนาวอย่าพูดอย่าพูดใครเลยทีนี้หลวงพ่อ ก, กลับมาวัดมาเรื่องดูแลเรื่องวัดจัดงานเรื่องวัดของหลวงพ่อนอนคืนนึกคืนหนึ่งเลยแหละหลวงพ่อกลับไปหลวงพ่อบอกบอกพระเลยเอ้ย่าเอาหลวงตาอยู่ที่ข้างนอกนะหนาวขนาดนี้นะหนาวขนาดนี้ไม่ได้นะมันอาจจะลงถึงเกือบห้าหก นสมัยนั้นสามสี่ห้าหกเนี่ยประมาณเนี่ยทั้งฝนตกด้วยทั้งหนาวด้วยน่าจะเอาหลวงตาเข้าไปในห้องปลอดเชื้อเพราะมันจะเป็นห้องอุ่นเอาไปเลยนะเข้าไปนะถ้าไปยังขั้นไม่ได้นะเอโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่มามาจากขอดแก่นมาถึงก็เออมาก็ถึงมาเจอหนาวอย่างเนี้ยในคราวนั้นอ่ะที่หลวงพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยมันลงถึงสามนะ กลางวันเนี่ยลงถึงสามแล้วโอ้โหหนาวอย่าพูดใครเลยเพาอโยมพ่อมาเราก็ไม่ได้เตรียมมีแต่เตาอังโรดได้น้อยแทในห้องมันสู้ไม่ไหวได้คนอายุมากถึงเก้าสิบกว่าปีก็เลยสะทานหวั่นไหวหวงพ่อก็เลยจากไปหลวงพ่อว่ามีส่วนมากๆเกี่ยวกับความอบอุ่นของร่างกายไม่พอนี่แหละหลวงพ่อก็เป็นห่วงหลวงตาจากนั้น เขาก็เอาข้าวในคืนนั่นแหละเอาเข้าวตอนเย็นกินบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไร เ, เพราะว่าอันตรายนะความหนาวสําหรับผู้สูงอายุเนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อกับเราเล่า เ, าเาท้าเท้าความให้อลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังได้ยินได้ศึกษานเะ <c oughs> นี่แหละนาน า, นาจิตตังนานาทัศนานานาความเห็นบางสิ่งบางอย่างก็น่ากลัวแต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อเน้น ถึงครูบาอาจารย์ถึงขนาดนั้นแล้วลูกศิษ ย, ย์ยาวนุศิษย์ต้องเป็นหนึ่งความพร้อมเพียงสมัครี่ต้องปรึกษาปรารพกันอย่าให้มีความว่าแตกแยกมีความเห็นอย่างไรอันใดดีที่สุดคนไหนดีที่สุดถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ก็เถอะผู้ใหญ่ความคิดเห็นวิปลาสคาดเคลื่อนอไม่กไม็ไม่ควรจะให้เป็นผู้ใหญ่ เหมือนกับรัฐบาลนายกของเราใครเป็นนายกก็ต้องเป็นผู้นำเป็นผู้สร้างสรรเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรร ม, รรรมเป็นผู้นำได้จึงเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าเอาจะใครก็ได้เป็นผู้นำไม่ใช่หัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องหาคนที่รอบครอบมีน้ำใจมีเมตตามีความประสานเหมือนความพร้อมเพรียงสมรคีไดห้หลายด้าน จึงจะเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่ว่าปูปรับขึ้นมาจะจับใครก็ได้มาเป็นผู้นำผู้นี่หละรวยกว่าเพื่อนก็จับมาเป็นผู้นำมันไม่ใช่คุ้นี้นต่มีอำนาจในตระกูลสูงกว่าเพื่อนมาเป็นผู้นำไม่ใช่เราต้องหาคนที่มีน้ำใจคนที่มีเมตต า, าคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำมันจึงจะร่มเย็นเป็นสูกนะนนัตา ย, ยาโจมลูกหลานนะ ไม่ใช่มีอายุพรรษาที่จะนำที่เดียวก็ไม่ใช่อายุพรรษามากขาความรอบครอบไม่ได้ก็มีตังเยอะแยะไปแต่ผู้น้อยถึงยังไงก็ตามผู้น้อยก็ไม่ควรจะกล้ามกายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะวางหมาดจนเกินไปไม่ต้องอาศัยเอื อ, อ, อ, อ, อรีต่อกันนี่แหละที่เขาปฏิวัติปฏิวัติกันนี่แหละ คือผู้ใหญ่ไม่ยอมเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกับผู้น้อยเดินเดินดันทุลังไปึ อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะการอยู่ด้วยกันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันพึ่งพาอาศัยกันปรึกษาปารรบกันงานทุกอย่างเรียบร้อยได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นฝากไว้แนวความคิดสำหรับ พ, พาลูกพาหลานคณะัดาญาติโยมส่วนหนึ่งเหมือนกันเนอะ เอออันนี้เป็นวันนี้ให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านตั้งหลายเพื่อเรียนรู้พาการศึกษาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร